ัทุกวันแล้วก็ฟังเสียงตัวอื่นบ้างฟังเสียงตัวเองบ้างโดยเพราะการจเจริญสติบางทีมันเหมือนกับการฟังธรรมความรู้สึกตัวมันทำให้เกิดอยู่เสมอ อะไรสิอะไรผู้รู้รู้เห็นตัวเองอยู่ทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดปกติทำให้เกิดศีลทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาเพราะสติเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็พยายามที่จะ ให้ให้ความรู้สึกตัวง่ายๆอย่าให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากความรู้สึกตัวต้องก่อนต้องง่ายที่สุดความหลงต้องให้แบบยากหน่อยต่อรองดูเช่นเราจะลุกนี่ยเราเนื่องอยู่เราจะลุกอพราะอย่าให้ง่ายที่จะลุกอย่าให้ง่ายที่จะหลงบงเทีลุกเพราะความหลง พอเดินอยู่มันจะนั่งอย่าให้มันนั่งเพราะความหลงมัจะนอนจะลุกขึ้นพายาให้ความหลงมันง่ายให้มีสติตางทีความหลงมาง่ายแต่ความรู้สึกตัว mm hmm. ก็เพียนพยายามที่จะเปลี่ยนแต่ว่าเป็นปัจจัยเป็นนิสัย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 บางทีก็ไปซะทางนั้นซะเราก็กหมันกันบางทีก็อ้างต่างนิใสใยเคยเป็นหมอเคยเป็นคนดีเคยเป็นคนเลวอะไรก็มากอย่างต่าง ก, กันนั้นกันเนใสยไปวัดไปเบี่ยนไปเปรียบเทียบ ทานทีก็เอาวัตถุเอาการเวลาเอาบรรยากาศเอาบุคคลเอาสถานที่มาวัดเอาความชอบความไม่ชอบไปวัดอยากไปทำไม่ให้มีละชิ้นแล้วนั้นนะนั่งลองก็ลูกทันทีลุกขึ้นก็ลูกทันทีไปเลยแต่ไปไหนมาไหนก็เพยายามที่จะลูกทันทีให้ลุกง่ายๆเข้าถึงตัวลูกให้ง่ายที่สุดให้เป็นเรื่องของความสะ ด, ดวก ก, กา ร, ร, ก, ร ก, การอุประคอบริโภคการชินการฉันในง่ายความง่ายความรู้สึกเป็นจิตนิสัยเนี่ยทให้เจริญงอกามในการประพฤพิปฏิบัติในธรรมความมีขั้นตอนจะเยอะบางก็เพ้าไม่ถึงง่ายบางกัน อยางเรื่องของโลกสมมติเรื่องของโลกเดี๋ยนี้นะอะนุมของกรมการศาสนาจนจะงบประมาณปลายปียังไม่ได้จนตายปีแล้ปลายปลายปีงบประมาณแล้วมันติดขั้นตอนเลยถามดูตามระเบียบตามระเบียบของการราชการ นมจะต้องให้ใครซื้อให้จังหวัดซื่อพอจังหวัดซื่อก็ต้องประเมินต้องประมูลต่องให้ผู้เมาให้จะเป็นคนซื้ออหาบริษัทที่มารับประกวดราคาบอดีก็รับไปแล้วเขาก็คืนต้องประชุมใหม่ประเมินใหม่นี่ก็จะหมดปีงบประมาณเล้ขึ้นไม่ได้กินนมเลย มันขั้นตอนมันเยอะแยะันลาช้าไปมาเงินงบประมาณสามล้านบาทที่จะมาเลี้ยงเด็กอาจจะต้องส่งคืนเด็กเลยไม่ได้กินนมขั้นตอนอะไรมันมากการปฏิบัติก็จะเหมือนกันบางรูปบางนามอาจจะมีขั้นตอนลีรีผงขวางลีรีผงขวางอยู่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 เข้าห้ถึงจุดนี้ให้ได้ในการใช้ชีวิตประจําวันการปฏิบัติในชีวิตประจําวันตรงนี้ก็มีสติเวลาการใช้ชีวิตเวลายืนเดินนั่งนอนตอนนี้อย่าไปให้มันมากกว่านี้ไปอย่าไปคิดถึงการถึงงานอย่าไปคิดถึงอะอะไรทั้งหมด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 การเจริญสติแบบการเพื่อนไหวมันก็ยิ่งเสริมสร้างเติมเพิ่มทำเพิ่มคุณภาพเข้าไปเร่งเข้าไปรูปแบบของกรรมาฐานทั่วไปมันเป็นการเร่งการผลิตให้สติมันออกตามแล้วก็ยิ่งพิเศษเลยลเป็นกรณีพิเศษเข้าไปนั่งก็ไม่ได้นั่งเฉย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 จะทะเลทลายง่ายเหมือนไม่มีบรรทัดมันหัดเขียนหนังสือไม่มีบรรทัดอาจจะหลับอาจจะง่วงได้ง่ายขึ้นบ้างลงบ้างแต่ถ้าเจตนาสร้างจังหวะเอาลูกแบบของกรรมาฐานแบบจับจากหรือแบบตามหลงครภาพยเจรา กายานุปัสนาเนี่ยเอากายทั้งรุนทั้งก้อนเนี่ยเอาทวานที่มันเกิดอยู่ที่กายเนี่ยทั้งรุนทั้งก้อนมากําหนดมาสร้างมันจะเรียกร่องความรู้สึกตัวได้ดีลองทําดูก็ได้ที่มดูสัมผัส ด, ดูอืมดาดายที่เรากําหนดการเคลื่อนไหว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 ไม่ใช่จะให้มันลู้ซื้ อ, อ, อไปับพุตตะพุยมันเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีประสบการณ์ดีอะไรแค่ควา ม, มง่วงเราได้เห็นความคิดก็สนุกไปในตัวมันก็มีเท่านั้นแนะ่ะสิ่งที่นันจะเกิดผ่านหน้าให้เราเห็นเป็นของจริงเป็นของที่เป็น ามีสติทำยังไงเกี่ยวข้องกับความชิดเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับความม่วงเป็นยังไงมันผ่านหาให้เห็นตัวสติเมื่อมันเห็นความม่วงรู้สึกเขาไปแก้ไขสติอันเดียวเกี่ยวข้องกับคงความม่วงมันก็เจงขึ้นเลยเกี่ยวข้องกับความชิดก็าจริงเราไม่มาผ่านหน้ามันจะเ่นได้ยังไง มันก็ไม่มีบทเรียนมันก็ไม่มีประสบการณ์จะปฏิเสธบางทีนักปฏิบัติปฏิเสธเิงเหล่านี้เพความง่วงก็อ่อนตัวไปเลยเพราความคิดเบาทำให้หลงไปเลยที่คิดมากาก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทำให้เกิด ความเบื่อความไม่อยากปฏิบัติตัวอะไรก็ไปบางทีไม่ถูกเลยทั้งหมดก็ไปกับความคิดขับบานไปไหนมาไหนก็ไม่รู้บทีไปเอาอันื่นมาวัดเอาอากาศเอาที่อยู่เอาอาหารเอาเลื่อนเอามิตรมาวัดมาเป็นเครื่องตัดสิน น, นั่นก็ไม่ถูก ทำตนเหมือนดอกบัวเหมือนบัวแม่เกิดอยู่ในน้ำก็ในโคลนก็ไม่ต้องติดนะด้าสติก็ียงนั้นจริงๆสติเหมือนกับใบบัวดอกบัวไม่ติดอะไรที่จะเห็นสัมผัสดูไปดูไปจุดที่เป็นจุดที่ที่จะต้องชนเหมืนให้ได้อย่าปฏิเสธอย่านีปรากฏการปรากฏการเมันเกิดละเอสัญญานี้ ถ้าจะหนีก็หนีการปรุงการแต่งเปลี่ยนให้ได้แก้ให้ได้เปลี่ยนไวไวการปรุงการแต่งตัดไวไวเกี่ยวข้องกับมันไวไวจะให้มันเลื่อนช้าอดีตมันชอบนะความปรุงแต่งมันให้โอกาสอะไรเนื่อนช้าไป เรานั่งสร้างสติเรานั่งสร้างจังหวะเคลื่อนไว้ไปมาอยู่อางีมันไปชิดปรุงแต่งขึ้นมาไปต่างๆตัดเลยเข้าไปถูก ส, สติให้ไว้ต่รูดตัดรูดตัดตัวรูดเราก็เห็นนย่แล้วเราสัมผัสอยู่แล้วตัวหลงเราก็เห็นอยู่แล้วสัมผัสอยู่แล้วเห็นการตรงแต่งเห็นสังขารเอาไปมาเห็นสมุทยัย แน่นอนตัวนี้คือตัวสมุทัยตัวนี้คือตัวสำคาญตัวนี้คือวิชาตัวนี้คืออวิชาตัวนี้คือมัดมันก็ตัดสินใจเข้าไปสมผัสตัวมันก็เลยหลักไปเรื่อยๆไปอต่นี่คือสติมันหลงจุดนี้มันลู่ก็ลู่จุดนี้วิธีที่จะเปลี่ยนต้องหลงก็จุดนี้ เราจุดจรูดหลักอะไรบ้าเห็นหลักมันก็โอ้ศึกษาตัวเองก็บางทีก็โอ้ได้ยิ่งนะพอใจได้คำตอบออกมาได้หลักอย่างพระพุทธวาร์เนยเห็นโลกเห็นน้ํกนาก็ยิ่งได้หลักเข้าไปแล้ววได้หลักยึดหลักฐานได้มัดได้นะมัด มันก็เขาสอบสวนคดีต่างๆถ้าไม่สุกขุมหลอกขอบก็ไม่รู้มันนะหลอกตาเราได้คนที่รู้อะไรดีๆมันก็สามารถที่จะหลอกตา้ทวาผิดให้เป็นถูกคําถูกให้เป็นผิดตายแต่ถ้าเราไม่สุกขุมหลอกขอบไม่ดูจริงๆมันจะไม่เห็น ก็ตเตลิดออกไปเวลาเราจเจริญสติอยู่มันง่วงอย่างนี้นะก็จะทำอ่อนแรงกับมันให้มีความเชื่ม ล, ล้วเราจะยกของตรงมีจังหวะตรงมีท่าทางเราจะตัดต้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 เอาจริงๆฝุกมันจริงๆมันก็เปลี่ยนได้มันก็พ่อแม่เลี้ยงเด็กเด็กหกล้มบางเพราะบางคนก็โอ้เราไปอบกอนเขาบอกเขามันลุกลองดูเด็กมันทำคล้องตกต้องบอกเขามันเจ็บลองดูมันทําน้ําหกให้เอาผ้าไปเช็ดดู แต่ก็ เ, เกิดความเข้มแข็งการสอนตัวองก็เหมือนกันรีมันอ่อนแอยิ่งทําไปก็ยิ่งอ่อนแอทำไมไม่สู้มันไม่สู้มันไม่แต่หนีมันไม่แต่ยอมประชัยป่ายแพ้แต่เราสอนตัวองให้สู้ลองดูมันงงเกิดกึ้นมาจิ้มในใจ อะไรเยอะๆคนมาเวลานี่ไม่ใช่เวลานอนเวลานี่เป็นกล้งวันอะไรละ่ะลุกขึ้นเปลี่ยนทันทีทับทันทีเปลี่ยนอารมณ์ให้ตัวเองยิ่งไม่ใช่อ่อนแอหมดตัวปวกเปียกไปเลยมันก็ไม่ไหวถ้าเรานอนเพียงพอหร<ม>ือ ว, ว่าเราทำงานมากเราสร้ง า, างจังหวะเราเดินสามชั่วโมงจนขาแตก ตอนนั่งมาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงต่างจันวะมาะต่างแต่เที่ยงเราก็เดินเดินจนถึงสามโมงสี่โมงบ่ายเออ่มันก็ของทีมันก็หมดแรงขอพักผ่อนอย่างใช้ชนะก็จะนอนก็ได้ในบทนอนเป็นในบทที่สะดวก สะดวกในะความรู้สึกตัวก็ไหมไม่ใช่สะดวกแบบหลงไม่ใช่สะดวกแบบหลงกอ ด, ดูตัวตัวเองแล้วเปลี่ยนไปนอนไปให้หลับสักหน่อยยี่ไปสักหน่อยสบายๆการนอนในเวลาเราทางานเหน่อยมันก็ภูมิใจนะแล้วพอเราทําอะไรมันเสร็จมาเราพักผ่อ น, นมัน ไม่ใช่เรื่องเสียหายม่ใช้เรื่องเสียหายเห็นรอไปนาไปหาดูนาไปดูน้าํามาแล้วตั้งสี่สิบไร่ในคันนาเยอะแยะดูทุกแง่ทุกมุมเดินไปได้อัดตรงนั้นได้ปิดตรงนี้ได้เปิดตรงนั้นได้สับอันนนต์อันนี้เดินไปชัวงงช่วโมงสองชั่วโมงก็จะเสร็จ บทีตรงแบดดินไปอะไรไปไปิดน้ำเสร็จเรียบร้อยเอาตรงนั้นเอาตรงนี้เสร็จแล้วเออล่างจอบล่างเสียบอาบน้ำอาบถาขึ้นบนเทียงนานอนทับจางสุขสบายที่สุดเพราะเพราะเราทำงานสำเร็จ ม, มันไม่ใช่ พอไปถึงมาเป็นนอนเลยอันนั้นไม่มีการโผงใจงานไม่ไทําอานอนออกหน้ามันก็ไม่ดีมันไม่มันไม่ถูกการทําความเพียนก็เหมือนกันเรานอนก็ไม่เป็นไรเรานั่งก็ไม่เป็นไรล้วยืนก็ไม่เป็นไรล้เราหลีกหลีกเล่นเล่นเอาเกียวเส้นทางเดนินยังต้องเดินตามป่าอย่างมีสติไปยืนต้องนั้นเดินตรองหนันมีสติไปก็ไม่เป็นไร เดินไปดูเพื่อนเห็นเพื่อนทําก็เวียนอยู่อ่าวเราก็กลับมาเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเอาเพื่อนเราก็เนเออเพื่อนเราก็ลุก <c oughs> บางทีสมัยผ ม, ไปไปมกับปฏิวัติก็งกุดเทียนวัดมันก็ากาติมันก็ไม่ห่างกลกันก เ, <c oughs> เห็นแสงกระเกียงเห็นแสงเทีเยนสลัวมองไปสติเพื่อน อ้าวเราจะนอนอยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องลุกพอที่เพื่อนพอลุกดึกห้าก็ลุกกับเพื่อนยังเดินยังกลมตับตับทับทับอ้าวเราจะนอนอยู่ก็ไม่ได้อ้าวก็ลุกขึ้นไปเดินหลังกับเพื่อนจุดตะเกียงเดินเสียงน้ำข้างหลน ป, ốc, ป ốc. ๊กป๊กมันเลยเนีเป็นน้ำหมอกมาก จะดูฝนโปลยปลายน้าหมอกแสงไปสลวเลั ว, วน้าหมอกหน้าข้างหล่นลงจากใบตองใบนั่นใบนี้ป๊กแกเสียงร้องเท้าของหลงพูเทียนเดินจงกมของเพื่อนเดินททแท๊กแท๊แสงเทิดแสงเทียนเกิดขึ้นตามคติต่างๆนี่เป็นแสงแวดล้อมทำให้เรา ก็ตือดรือล่อนเอาเยี่ยงเอาอย่างไปโอเป็นแบบเป็นแผนไปเดีก็เพื่อนการกระทําทของเพื่อนก็ช่วยเราทําให้เกิดความขยรยัต่อไม่ต้องกลัวบางคนกลัว อ, อาจารย์ลองไปเดินผมลอยสู่ผมสูมสมส่ไว ออกปากง่ายง่ายมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องสู้ต้องทำไปทำไม้ได้ก็ทำในใจเอาไว้อย่าให้มันอ่อนแอการฝึกตนฝึกให้เกิดความเข้มแข็งเข้าข้างความรู้จึกตัวที่ใดก็ตามอย่าหลุดจะหลดนออ ก, กถ้ามันยังไม่ได้หลัก มันจะเกิดความอ่อนแอง่ายๆทำไปเอาเดือนสองเดือนไม่รู้อะไรมันจะอ่อนแดจะไปประเมินผลจะไปวัดไปเหวี่ยงจะไปประเมินผลบางคนบางผู่บางคนมันไม่ผุดผัดมันไม่โลดผลบาที่จะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่รู้มันให้โอกาสมันค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไป เราจะไปเอาอยจังใจเราบางอย่างก็ไม่ได้จะรู้อันนั้นอันนี้บางที่เราไปจํว่าคําพูดของครูอาจารย์มันรู้ว่านั่นมันรู้อันี้แต่จราไปเอาคําพูดของอาจารย์มาวัดกับตัวเรามันก็ไม่ถูกที่จริงเราก็ค่อยเรื่องไม่รู้อย่างไ้เรายกหัวขึ้นเราก็รู้มันคิดก็เห็นไหมเห็นดีแล้วเห็นมันคิดแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นมันชิดออกเราคิดขึ้นมาเห็นอ่ะดีแล้ว มันลงเราเห็นมันดีแล้วอ่ะก็ดีกว่าแต่ก่อนบางทีเราก็ประเมินเรูก็ได้เล็กๆในน้อยเราเป็นเรื่องขี้ภูมิใจผมมาเห็นมันคิดเนี่ยไม่ใช่เห็นความคิดแต่ปอาการเกิดดับเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นธรมรมดาธรมรมดานะดีใจทาไมเคยเห็นความคิดตัวเองโอ้ตัวคิดเป็นตัวหนึ่งนะ มันการเคลื่อนไหวอยู่นี่แต่ตัวนึ่งตัวรู้สึกที่ดูทุ่งมันเคลื่อนไหวก็เห็นเวลามันชิดเห็นเลโอ้วันคนละอ่านกันเี่จะแยกตัวเองเป็นมันคนละอนจริงๆมันไม่เห็นเมื่อกี้เราลู่จังหวะเราดูอยู่ดีๆมันจะไม่ไปคิดไปนน่นล่ะก็เห็นโอ้วันทีเสียงรถข้างหาทำให้เราไปหารถเสียงรถแต่อ่ะดีก็ลับมา เดื่องงูมาเอาไปคิดกลัวเรื่องงูหรอมันก็ดีเรื่เพื่อนเดินมาทําให้เราหลงจังหวะหลงคิดไปอ้าวมันก็ดีเดี๋ยวเสียงระฆังตีเห้หนๆตกใจตื่นตัวอ้าวมันก็ดีเอ๊มันไปโน่นไปนี่มันไม่แก่กลามันคอยที่จะหวั่นไว้ เออไม่ไปเป็นอันที่ันกลัวเดินไปกติไกลๆมันชิดกลัวขึ้นมาอ้าวมันก็คิดเ ล, ล่ะอลูจับหน้าลูกระชาประสบการณ์กับความคิดว่าดกับอะไรต่างๆกับเสียงกับลูกกับเป็นอะไรบ้างก็บลูไปมันก็ละอันจริงๆ <Un thinking. S 2> สิ่งที่ทําให้ชิดนห่เยอะแยะสิ่งที่ทําให้ลูกก็มีสิ่งที่ทาให้หลง ก, ก็มี สิ่งที่ทำให้ไม่ล้มก็ไม่อาวก็เห็นใปหลกไปแต่ตอนมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปเพิงใจล้อนการปฏิบัติธรรมเราก็โล้อยู่ดีๆนี่ละอย่าไปประเมินผลเหมือนกับไปยินโด้ฟังมาไหลโล้อะไรมันปเปลี่ยนอย่างนี้มันสูดสายัางงา่นย่างนี้อย่าไปคิดอย่าไปเอาคนอื่นมา กฎเป็นเกณฑการบรรลุธรรมการเข้าถึงธรรมมันอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะต่างกันในบางทีเราไม่รู้รูดนามบางคนที่จริงมันรู้อยู่เราไม่รู้แต่รักที่จริงมันรู้อยู่เราไม่รู้สมมุติมันรู้อยู่เราไม่รู้ทุกมันก็รู้อยู่เราไม่เคยออกจากทุกเป็นบางทีมันออกอยู ถ้าเรามีแต่ทุกข์ต้องเกิดแต่เกิดจนตายไม่อยู่ได้ยังไงก็ตายไปแล้วล้วก็หลุดมาหลายอย่างเราก็มีธรรมอยู่แต่ก่อนอยู่แล้วมีสติอยู่แล้วเราทาอยู่แล้วเราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็โลภอยู่แล้วเราไม่รู้เราไม่พอใจจะไปให้เป็นเหมนกับตาหลักตาลา เป็นเพื่ม่ลชานแล้วก็คิดว่าโอ้เข้าชานคงจะเป็นยังนง้หมที่จริงเราก็เข้าชานเราก็มีชานชานที่อเรามีอยู่ก็คือสตินี่แหละโดยชานที่ที่สุดของชานก็คือมีสติสติอย่างดีเป็นมหาสติคงอยู่จะมีสติมันไม่เมรัย หนึ่งเดียวเราก็ถึถงฌานแล้วนึกว่ามันคนละเรื่องก็ทําอยู่นี่เราก็เล่นกับฌานเดียวรู้สึกตัวอยู่เคลื่อนไหวเราสถิตอยู่นี่ก็มีสีนอยู่อถ้ามีสติอยู่นี่เกิดนาฬูอย่างนี้ก็มีสมาธิอยู่ถ้ามีสติอยู่นี่เวลาใดที่มันหลงเราก็มีปัญญาอยู่ มันม่สติแล้วก็มีมรรคอยู่แล้วใส่ใจดูอยู่เห็นอยู่เป็นมรรคอยู่แล้วความมีมรรคมัก็เป็นในโลดมันก็หลุดพ้นอยู่แล้วเราได้ทำในเรื่องสติอยู่แล้วเราได้เห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นในโลดเห็นมรรคเราได้ทำอยู่คนสติมันย่อมาให้เราทำอยู่ทุกอย่างอยู่ใน เอ่ออรียสัตตีอยู่ในองค์มรรคอยู่ในฌานอยู่ในญาณอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาบางคนไม่เอาตรงนี้จะไปให้เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เหมืนอาาม น, มนอาจารออา ย, าย์นั่นพูดเหมือนอาจารย์นี่พูดออกหนีจากตัวไปตัวทําผูกกพร่แทบไปยังนีไปมันก็คนกําลังปรับดมนาอยู่ ลุกนี้จากหน้านาเกี่ยวข้าวอยู่ที่ีลุกหนีไปไปคิดถนนอะีรไปมีการหนีงานอะไรมันก็ไม่เสร็จล่ะที่เราทําถูกอยู่แล้วเคลื่อนไว้ไปมาไม่พอใจไม่สันโดษไปเอาอันหนึ่นให้เป็ น, นกับตัวเองคิดบางทีเอาตัวความคิดตัวเองเป็นกดเจนฑ์ไม่เอาการกระทาเป็นกดเจนเนี่ยทีมันก็ไม่รู้ตัวเอง มีสติอยู่นี่ก็คงพอใจเถิดก็ยินดีอันนี้แหละรู้วอยูนี่ะนะไม่ต้องโลกมันโลกพุทธพุพุพเป็นโลกโอ้โลกนั่งอยู่โน่นอะดรก็ันก็เทียนเคยสอนเขาลูกมาให้ดูนี่คืออะไร